เพิ่มความรู้คนเรานี่ทุกวันทุกวันมันต้องเพิ่มเพิ่มกันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่เพิ่มวันไหนก็อาการไม่ค่อยดีเรา เ, เคยพูดหลวงพ่อเคยพูดไว้ว่าแม่สอนสมาธินี่ได้อานิสงส์เต็มที่เข้าปีที่สองแล้วแต่ก่อนเคยเป็นวัดปีละสองหน มาสะเกือบสองปีมานี่ไม่เป็นหวัดรสะบสนแ่คราวนี้เอาแล้ว <c oughs> ไม่แต่กี้ฉันยามาเต็มที่ยาหวัดนี่มันเมานะอ่าอืมเพราะฉะนั้นน่ะมันมีเหตุที่เราจะต้องเข้าใจอยู่ว่าพลังจิตเนี่ยที่จะช่วยมันก็ช่วยได้แต่ไม่ใช่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะช่วยไปหมด อ, อย่างเป็นวัดอย่างเนี้ยเราไม่ฉันยามันไม่ได้พลังจิตก็ช่วยได้แต่ว่ามันก็ต้องมียาด้วยอย่างนี้เป็นต้นอย่างพลังจิตเนี่ยเราเห็นชัดๆอย่างที่ว่าคนที่กำลังป่วยเนี่ยพอหมอเดินมาเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่ง ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งใัการักษา น, นั้นคือพลังจิตมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติใครไม่เคยป่วยก็ไม่รู้ถ้าป่วยแล้วก็รู้ว่าหมอมาเนี่ยแหมยังกเทวดามาเพราะว่าเมื่อความไข้รบเรา้าหมอคือพระเจ้าจุติมานะเมื่อไข้าสางซา หมอคือมนุษยษาแมเมื่อหมอทวงหาค่ายาหมอคือตัวหากาลีแหมมันเป็นอย่างงั้นซะพราะเวลาหายไปรลบวพรวไม่ได้คิดถึงหมอแล้วทีนี้แต่ว่าพอเวลาไข่เต็มที่แมมเทพเจ้ายังไงจะให้ทำยังไงทำหมดอย่างนี้เป็นต้น ก็เหมนคณะทีเนี้พวกเราที่นี้พูดมาถึงว่าพวกเราก็มาเรียนคือเวลาเนี้ยแต่ทุกคนจะต้องเป็นหมอมาเรียนเป็นหมอต้องจําคาถานี้ไวเ้เมื่อเราเป็นหมอก็หมายความว่ารักษารักษาเนี่ยเรารักษาไข้ทางใจหมายถึงว่าเราเป็นครูสมาธิ ครูสมาธินี่จำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องเรียนให้มันครบหลักสูตรเมื่อครบหลักสูตรแล้วก็ถือว่าเราจบเราจบแล้วก็ถือว่าเราได้เรียนสาเร็จแล้วมาขั้นตอนหนึ่งอย่างเท่คนเท่ไม่ได้เรียนเลยอย่างที่เราแต่ก่อนเราไม่ได้เคยมาเรียนเลยเนี่ย เราจะไม่รู้ว่าฌานลึกฌานตื่นสมาธิลึกสมาธิตื่นอารมณ์การกรองอารมณ์อาทิตย์สมานกายจุดพลังอำ น, นาจอะไรต่างๆนี่เราจะไม่รู้แต่พอมาเรียนขึ้นมาแล้วสมาธิตื่นเป็นอย่างนี้เองสมาธิลึกเป็นอย่างนี้เองฌานตื่นเป็นอย่างนี้ฌานลึกเป็นอย่างนี้ สมาธิเป็นอย่างนี้ฌานเป็นอย่างนี้จุดพลังอำนาจเป็นอย่างนี้อารมณ์เป็นอย่างนี้บริกรรมเป็นอย่างนี้เราจะรู้หมดสิ่งเหล่านี้แน่ใจว่าทุกคนที่มาเรียนรู้หมดเมื่อรู้หมดก็เท่ากับว่าเรารู้ตำรารู้ตำราของหมอนั่นแหละเป็นหมอทีนี้แต่อย่างที่ว่า คนที่ไปทำสมาธิเองอย่างนี้ยก็เรียกว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์มันก็เหมือนกันกันกบว่าคนนั้นก็อยากจะเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นหมอกลางบ้านอย่างนี้มันไม่ใช่หมอที่ได้เรียนมาตามหลักสูตรมันเป็นหมอกลางบ้านอย่างคนที่ไม่ได้เรียนสมาธิมาเลยคิดอยากจะมาเป็นอาจารย์สอนสมาธิอย่างนี้มันจะมีข้อบกพร่องเยอะ สิ่งที่ไม่รู้นะั้นมีอีกเยอะแต่ว่าคนนั้นก็มีเฉาหรือว่ามีปัญญามี อ, อชาวนะปัญญาปฏิพัน์ไหวพริบเยอะเขาก็สามารถไปไปเป็นครูอาจารย์สมาธิแต่ในขณะเดียวกันเขาจะรู้ไม่หมดจะมีปฏิพัน์แค่ไหนก็ตามก็คือหมอกลางบ้าน เหมือนกับคนที่เรียนสมาธิเองก็เท่ากันกับว่าเมื่อเป็นไข้ขึ้นมาแล้วก็รักษาเองโดยที่ไม่มีหลักวิชาการในที่สุดก็กลายเป็นการรักษาไข้ด้วยหมอกลางบ้านมันก็มีโอกาสตายรูปเดียวหรือว่าการหายก็ยากส่วนผู้เท่มีหมอเมื่อเกิด ป่วยไข้ขึ้นมามีหมอคอยดูแล ร, รักษาก็เท่า ก, กันกับว่าเขาได้หมอที่มีความเชี่ยวชาญดูแลให้รักษาถูกต้องอันนั้นมีโอกาสที่จะรอดชีวิตได้เ <c oughs> อยอะเพราะฉะนั้น <c oughs> การศึกษาสมาธินี่ <c oughs> ประโยชน์มหาศาลที่เราจะได้ ในวันนี้เราก็มีการสอนกันถึงเรื่องการเพิ่มการเพิ่มก็คือเราก็คงจะเข้าใจแล้วว่าการอยู่กับที่คือการถอยหลังก้าวไปไม่หยุดยั้งคือความก้าวหน้าการเรียนทุกวันทุกวันหมายถึงการเพิ่มความรู้ให้แก่ตน บุคคลทั้งหลายต้องเพิ่มกำลังทุกวันนิฉะนั้นจะอยู่ไม่ได้อย่างคนเราต้องรับประทานอาหารทุกวันทุกวันนิฉะนั้นอยู่ไม่ได้รถยนต์น้ามันร้องก็รีบเติมเสียถ้าปล่อยให้มัน เ, เกือบจะหมดให้มันหมดเองอย่างนี้ขี้ฝุ่นมันก็เข้าไปอุดตันคาร์บูเรเตอร์ซะเครื่องยนต์ถึงจะดีเท่าไหร่มันก็หยุดชะงัก ดังนั้นฌานหากไม่ทำอะไรเลยฌานก็จะหมดพลังไปเองผู้มีฌานจึงมีการทนุถนอมฌานด้วยการไม่คุกคีต่อสิ่งย่อยยวนต่างๆอันนี้พูดให้รู้ถึงว่าพวกที่เขาทำฌานกันน่ะไม่ได้หมายถึงคณะนักศึกษาครูสมาธิแต่เราหมายถึงพวกที่เขาเล่นฌานหรือว่า หวังในฌานหรือว่าหวังความเจริญในฌานอย่างนี้จ้องบรรจงอยู่ที่ฌานจนเรียกว่าผู้บำเพ็ญฌานว่าหลงอยู่ในฌานหรือเป็นผู้หลงฌานเพราะว่ามันสบายไม่อยากจะจากไปทําให้เขาไม่สามารถจะทํางาน ท, ทั่วไปได้คือถ้าหากว่าเอาเรื่องของฌานขึ้นมาเป็นวิชาชีพ หรือเอาเรื่องของฌานเข้นมาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นรลวเป็นการเป็นงานอย่างยิ่งใหญ่อะไรอย่างเนี้ยอันนี้ถ้าอยู่ในฌานอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไปทำการทำงานไม่ได้เพราะไปทำงานหน่อยหนึ่งฌานก็จะเสียอย่างนี้เป็นตน้นเพราะว่าฌานเนี่ยมันเป็นส่วนของความเปราะบางไม่เหมือนสมาธิ สมาธินี่เขาจะสู้ทุกรูปแบบได้แต่ฌานนี่ไปสู้ทุกรูปแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นฌานจึงจะต้องอยู่กับผู้ที่มีความประสงค์ฌานแล้วก็พัฒนาเรื่องฌานแล้วก็พัฒนาไปตามเรื่องของฌาน่ะกินก็อยู่กับฌานนอนก็อยู่กับฌาน คุยก็อยู่กับฌานพูดก็อยู่กับฌานอย่างนี้นี่คือพวกเขาา้ขาฌานเข้าฌานทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่เอาฌานเป็นหนักเป็นหนาเนี่ยบอกว่าคุยก็ใครก็ไม่ได้พูดก็ใครก็ไม่ได้ขยับไปก็ต้องระวังนั่งอยู่ก็ต้องระวังอย่างนี้เป็นตน้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ที่ทำธุรกิจเพื่อที่มีครอบครัว พูดที่จะดำเนินชีวิตเป็นไปกับด้วยฐานะของโรกาพิวัตรมันทำไปไม่ได้เพราะฉะนั้นฌานคือฌานที <c oughs> นี้แม่พวกเขาจะมีอาหารไม่สมบูรณ์เขาก็อยู่ได้จึงปรากฏว่าพวกเขาเหล่านี้จะอยู่เป็นหมู่หมู่ไม่ทำความติดต่อในสิ่งที่ยั่วยวน ทำให้เกิดความเรื่องใสแก่บุคคลอื่นๆด้วยอื่นๆแล้วดำรงชีพแบบปอนๆปัจจุบันจะเห็นได้ที่ประเทศอินเดียในเทือกเขาเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าไอท้ที่ไอ้ที่นี่เาเรียกว่าือสีเกตือสีเกตเนี่นจะอยู่ในเทือกเขาแต่เป็นภูเขานี่ก็ภูเขาต่อเนื่องมาจากภูเขาอ่าฮิมัลัย แล้วก็มันจะต่อเนื่องเขาเรียกไปเป็นแผลเทือกเขาเทือกหนึ่งแล้วก็พวกนี้จะมีพวกฤาษีเนี่ยไปอยู่กันเยอะหมายความว่าไปบําเพ็ญฌานกันแล้วก็จะมีประชาชนเนี่ยเขาจะเอาอาหารเนี่ยไปกองเอาไว้มีส่วนกลางแล้วไปกองเอาไว้บางฤาษีก็มารับประทานบางฤาษีก็ไม่มา อะไรสุดแล้วแต่มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่างไรก็ตามในการที่คณะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่นี้ควรจะเรียนควรจะทราบให้ละเอียดเพื่อรู้แนวทางแต่ไม่ได้หวังจะให้นักศึกษาต้องมาทำอย่างนี้ที่ประสงค์คือต้องการชาญที่เป็นพื้นฐาน พอ ท, ที่จะส่งเสริมความพอใจให้แก่บุคคลที่เป็นส่วนมากในโลกนี้เพราะว่าถ้าไม่มีชานบ้างมนุษย์เราจะเกิดความเศร้าขึ้นทันทีแม้ว่าผู้นั้นจะเพียบพร้อมไปด้วยเงินทองเข้าของสินงคา ร, ริวานแต่ถ้าเขาไม่มีชานเขาจะนั่งเศร้าขึ้นมาทันทีอาจจะเป็นได้ว่านั่งซึมเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลเพราะอะไร เพราะว่าขณะที่ใจว่างอยู่คนเดียวแล้วไม่มีสมาธิจะมีกิเลสตัวหนึ่งเข้ามาสู่ใจโดยไม่รู้ตัวมันจะมีอ่ะบางทีก็ไปนั่งเ อ, เอไปนั่งหลหวงเหลงนะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการความสุขโดยที่ไม่ได้คิดว่ามีอย่างอื่นจึงต้องไปหาอะไรที่จะทำให้เขาต้องเพลิดเพลิน ไม่ต้องมานั่งซึมเศร้าเป็นต้นว่าเข้ามูสุราบ้างเข้ามูนดนตรีบ้างเข้ามูอะไรมันก็หลายอย่างแหละที่จะต้องไปหาความเพลิดเพลินมิชนั้นแล้วมันจะเกิดความสึมเศร้าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าทำเสียประโยชน์เปล่า เขาอาจจะคิดว่ามันไม่เปล่าหรอกเพราะว่าไปเที่ยวมันก็สนุกอ่ะอ่าบินไปเที่ยวบ้างปิกนิกบ้างกินเหล้าเฮฮาบ้างมาไลบ้างเหล่านี้ <c oughs> เพื่อให้มันเกิดความไม่เศร้าแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีกิเลสตัวนึ่งเขาเรียกว่าโมหะโมหะนี่หน้าตาของโมหะมันเป็นอย่างไร ทำไมมันจะต้องจ้องเข้ามาในใจของคนโมหะคือเป็นตัวดำๆเป็นตัวเพียงเท่าตัวเหาแทบจะมองไม่เห็นแล้วมันจะนอนสงบอยู่ในห้องของหัวใจพอได้จังหวะตัวโมหะนี้จะสัแดงความเป็นโมหะขึ้นในขณะอันเหมาะหมเมื่อมันสัแดงเด็ดมันจะขยายตัวของมัน ที่ว่าขนาดตัวเต่าเหานั้นมันใหญ่ยิ่งกว่าช้างพร้อมกำลังเรี่ยวแรงมหาศาลสามารถขมใจของเราให้อยู่ในอำนาจทันทีดังนั้นเมื่อถึงเวลานั้นจิตเศร้าแบบไม่มีเหตุผลใครมาห้ามก็ไม่ฟังกว่ามันจะหมดฤทธิ์ก็ต้องใช้เวลานี้พูดเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น คือเวลาที่จิตใจของเราเนี่ยนันเกิดอ า, อาการต่างๆมันจะต้องมีในระยะขนาดบางครั้งก็เกิดในอายุเท่านั้นบางครั้งก็เกิดในอายุเท่านี้อะไรต่างๆเหล่านี้ในการที่เกิดขึ้นมานั่นตัวโมหะนี่เขาจะแทรกเข้ามาเมื่อแทรกเข้ามาแล้วเขาจะมีความ คือว่าโกรธคนอย่างนี้ว่าโกรธแบบไม่มีเหตุผลจะด่าคนอย่างนี้ก็ด่าแบบไม่มีเหตุผลหรือว่าจะทะเลาะกับใครอย่างนี้ก็จะทะเลาะแบบไม่มีเหตุผลอันนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะตัวโมฆะอันนี้เป็นตัวสําคัญนะอยู่ๆขึ้นมาก็ด่าคนเล่นไปอย่างนั้นน่ะทั้งๆที่ไม่มีเหตุผลที่ควรจะดา่าหรือว่าอย่างลูกอย่างนี้หรือว่าอย่างตูใกล้ชิดอย่างงี้ เออาก็ตีเอาตีเอาไม่มีเหตุผลซึ่งบางทีก็อาจจะมีเหตุผลเพียงนิดเดียวก็หาสาเหตุมาให้มันเป็นเรื่องใหญ่อันนี้คือตัวโมหะชนิดหนึ่งที่อยู่ในจิตดังนั้นฌานที่ว่าเพิ่มความสุขให้แก่บุคคลจึงมีกําลังอนุภาพชาใช้ย่อยสามารถที่จะกดดันโมหะตัวนี้ ให้ย่อเลกกดทับไว้ไม่ให้มาสํมแดงเด็ดได้อ่าคือโมหะอันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะกดมันได้มีแต่ชานนี่แหละจะเป็นตัวกดตัวกดโ ม, มหะอันนี้ไม่ให้มันมีระดับที่ออกมามันอยู่ให้มันอยู่ของมันแต่ไม่ต้องสํมแดงเด็ดออกมาภายนอกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ชานอนะ่ะมันมีอานุภาพไม่แพ้กัน <c oughs> ความสุขสบายที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเพิ่มฌานหมายถึงฌานตื่นนี้ด้วยการนำเอาความกำหนดความอดทนพระตามธรรมดาฌานทั่วไปเป็นการฉลมใจให้บุคคลทั้งหลายมีความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุดังนี้มนุษย์จึงจะพยายามสแสวงหาความสุขตามวิถีทางหลายๆวิธี เรียกว่าเพิ่มความสุขสบายแม้ว่าวิถีทางเหล่านั้นจะยากลำบากสักเพียงใดบางทีบุคคลเอาชีวิตเขาแลกอันนี้นั่นจึงจำเป็นต้องเกิดทั้งอาชีพและกิจกรรมเป็นไปตามมโนสำนึกที่เกิดขึ้นหมายความว่าในการที่เขาจะแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเราคือตัวของพวกเขาเองนั้น ก็จะต้องมีวิธีการต่างๆแต่ว่าวิธีการเหล่านั้นน่ะในที่สุดมันสู้ฌานไม่ได้ฌานนี้จะเป็นทางที่ทำให้เกิดความสุขสบายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ไม่ยากด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าในการที่จะไปบางทีอาจจะไปเที่ยวเตร่ หมดเงินอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนในการสแสวงหาความสุขบางทีอาจจะต้องหมดแล้วหมดเล่าเพื่อสแสวงหาความสุข น, นั้นแต่ว่าฌานสามารถที่จะให้ความสุขเช่นเดียวกันกับที่เขาจะไปหานั้นอ่ะแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าแล้วก็ทำให้เกิด <c oughs> เกิดการมีกำลัง <c oughs> ที่จะค่มตัวโมหะได้ด้วยอย่างนี้เมื่อบุคคลที่จะเพิ่มฌานก็จะต้องหาวิธีทำจิตให้สงบแล้วก็มารวบรวมกำลังไว้เพื่อกดดันให้ตัวโมหะนี้อยู่ในกรอบจนกว่าจะมีความเหนือกว่าเพราะว่าตัวโมหะนี้เป็นตัวทำลายฌานจึงจับใจความได้ว่า ระหว่างโมหะกับฌานซึ่งต้องต่อสู้กันนี้เป็นสงครามในตัวของบุคคลถ้าความสามารถของฌานมีอยู่ตราบใดโมหะก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าฌานมีกําลังถอยก็เป็นโอกาสของโมหะคนเนี่ยเราจะพยายามอธิบายให้ฟังหรือจะพยายามที่จะบอกว่ามาทำสีสมาธิทำฌานอย่างเงี้ย มันก็มีความสุขได้แต่ว่ า, าคนไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ยอมที่ว่าอาการที่จะมาทำชานให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะทำได้อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> <c oughs> เมื่อมาถึงขั้นนี้ <c oughs> ก็จะอธิบายถึงสถานการณ์ทั่วไปของบุคคลโดยทั่วไปว่า มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างฌานขึ้นไว้เพื่อให้เกิดกำลังใจที่จะมีชีวิตมีความสุขเพราะการสร้างฌานหมายถึงสร้างความสุขเนื่องด้วยชีวิตประจําวันขับเคลื่อนกิจการงานต่างๆมาแล้วการพักเพื่อความสุขสบายเป็นสิ่งจําเป็นถ้าบุคคลได้มารู้รู้ทางของฌาน การแสวงหาความสุขทางใจแต่ละวันก็ไม่ใช่ของยากอันนี้หมายความว่าคือเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองหรือจาเป็นต้องไปหาสิ่งที่มันยั่วฉวมนกมา ก, มากเพื่อหาความสุขเหล่านั้นอ่อแต่ว่าเรามาหาความสุขทางฌานเนี่ยก็โดยที่ว่าทาสมาธิให้เกิดฌานขึ้นมาความสุขมันก็เกิดขึ้นได้โดย แอสามารถที่จะทำให้ได้บุคคลที่ไม่ได้สร้างฌานขึ้นมาเลยนั้นเขาจะได้รับความสุขน้อยมากบุคคลเหล่านั้นเขาจะใช้ความนึกคิดเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เป็นที่พอใจเขาก็พอใจอยู่ได้แต่อยู่แบบธรรมชาติย่อมถือว่าเป็นสังคมมนุษย์พอจะเยียวยาจิตใจไปแต่ละวันซึ่งถูกเรียกว่าตามยถากรรม ทุกบ้างสุขบ้างพอเป็นสังคมมนุษย์ที่จะพัฒนาไปตามโลกเป็นเรื่องราวมีเมตตาเป็นบางส่วนมีการเห็นแก่ได้เป็นบางส่วนมีการยื้อแย่งแข่งขันกันไปตามสังคมมนุษย์จะอำนวยให้แต่จะถึงอย่างไรก็ตามเราจะไปแบกคนทั้งโลกนะั้นมันก็ต้องแบกไม่ไหว คิดว่าจะให้เขาทำอย่างเราทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เรามันก็มีนานาจิตตังเพราะฉะนั้นเมื่ อ, อ, อเขาจะต้องมีความลำบากไปตามอยนากรรมของโลกบางจำนวนก็ต้องปล่อยไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฐานนะ ที่เรามารู้รู่ทางของอการสแสวงหาความสุขในการดำเนินฌานเนี่ยอันนี้ควรจะมีสติแล้วก็ควรที่จะแนะนำผู้ใกล้ชิดตลอดจนกระทั่งบุคคลผู้ที่สมควรจะแนะนำได้ถ้าบุคคลส่วนมากได้มาสร้างฌานให้เกิดขึ้นตามความภาคเพียรพยายามเขาจะมองเห็นความแตกต่าง ระหว่างการทำฌานให้เกิดขึ้นกับเมื่อก่อนเขาไม่ได้ฌานความแตกต่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบการทำฌานให้เกิดขึ้นโดยการสร้างฌานอาจจะเข้าใจว่าเหลือวิสัยหรือยากต่อการมีชีวิตประจาวันก็ไม่ควรจะเข้าใจเช่นนั้นเพราะการสร้างฌานนั้นเป็นสิ่งง่ายๆไม่ต้องภาวะกังวลมีหน้าที่ทำก็ทำไปตามหลักเกณฑ์ ที่จะเป็นหลักการของการสร้างชาญการไม่ไปกระทบต่อกิจการงานความมีครอบครัวความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์เนื่องจากว่าบุคคลได้ให้เวลาแก่การสร้างชาญก็ไม่มากมายอะไรนักอยู่ในภาวะเพียงเสี้ยวหนึ่งของวันเท่านั้นทั้งนี้จะเป็นการทำนิสัยให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำเพราะเมื่อทำไปทุกวัน ก็จะไม่เป็นการลำบากเลยอันนี้เป็นข้อเขียนที่เขียนให้เข้าใจว่าไอการทาเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นเพียงเสี่ยวกของวันเท่านั้นมันก็พอที่จะเยียวยาใหา้บางเกิดขึ้นซึ่งฌานได้เช่นอย่างวิทิสาสมาธิเราทํากันเพียงวันละสิบห้านาทีเช้าห้านาทีกลางวันห้านาทีเย็นห้านาที วันละสิบห้านาทีเดือนหนึ่งก็ได้สี่ร้อยห้าสิบนาทีมันก็กว่าหกชั่วโมงเป็นสมาธิกว่าหกชั่วโมงทีนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ า, าการที่มันจะเกิดเป็นฌานขึ้นมาได้นันน่ะมันมันต้องมาจากสมาธิเพราะว่าสมาธิเป็นตัวที่จะทำให้เกิดพลัง พลังจะเป็นตัวที่จะกรองให้เข้มจนกระทั่งกลายเป็นชาญอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรานั่งแล้วเราก็จะเอาชาญทีเดียวเลยมันไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องสะสมไปเช่นอย่างว่าสะสมไปวันละสิบห้านาทีเนี่ยเดือนหนึ่งได้หกชั่วโมงเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาที่ เราทําจิตแต่ละครั้งเนี่ยมันแตเป็นพลังจิตพอมันเป็นพลังจิตแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการสลายตัวมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ ม, เ พ, มเพราะมันไปตลอดเพราะมันเพิ่มได้จังหวะมันก็เป็นฌานขึ้นมาแต่ละครั้งมเป็นอย่างนั้นรั <c oughs> งนั้นการสร้างฌานและเพิ่มขึ้นจึงเป็นองค์กรคุณของผู้ดําเนินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราจะมีสถานีเพื่อเพิ่มฐานได้ที่ไหนการเติมน้ำมันรถเขามีสถานีเติมน้ำมันคือปั๊มน้ำมันเมื่อเสียเงินก็ถูกเติมให้ได้จนเต็มถังสถานีของการเพิ่มพลังก็คือสมาธิพลังแห่งความสุขคือสมาธิสมาธิคือความสงบเพราะสมาธิกับตุนน้ำมันไว้มากเมื่อเราต้องการน้ำมัน เราก็ต้องเสียเงินให้แกสมาธิคือค่าตอบแทนเท่าจำนวนที่ต้องการการเสียค่าตอบแทนสถานีคือสมาธิเราจะต้องทาอย่างไรต้องหาที่ทำสมาธิให้คุณค่าแกสมาธิ <c oughs> หมายความว่าให้พลังที่จะเกิดขึ้นหมายความว่าส่งกระแส จ, จิตกาหนดสู่ความจริงคืออารมณ์ ซึ่งเป็นซับเจอลงไปที่จิตเราจะต้องกรองอารมณ์ให้เป็นซับขึ้นมาให้ได้เพื่อเป็นการนำเข้าสู่จิตให้จิตนี้รับของตอบแทนเพราะเอกคจารล์หมายถึงถูกกรองจนเป็นซับนี้จะเข้าสู่ความสงบโดยถูกกลันเป็นฌานหมายความว่าเอ เวลาที่เราบริกรรมไปเนี่ยเมื่อเราบริกรรมไปแล้วเนี่ยก็หมายความถึงการกรองคืออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่สารพัดต่างเยอะต่างแยะแต่ว่าเมื่อถูกพุทโธหรือว่าถูกกรรมกรรมนี่กรองหมดจนกระทั่งหายไปเหลือแต่พุทโธเขาเรียกว่าเป็นเอกคตาอย่างนี้อันนี้คือสักแล้วก็จะ ก, กลับกลายไปเป็ น, นเนื้อ พลังจิตต่อคือเป็นสมาธิแ ล, <c oughs> <c oughs> แล้วก็กลับกลายไปเป็นพลังจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นการเติมน้ำมันหรือหรือเรียกว่าเติมชานของเราให้เกิดขึ้นเอง ก, ก็คือการทำสมาธินั่นเองอะฮท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าความสุขกายสบายใจนั้นเกิดจากอะไร เกิดจากฌานฌานเกิดจากอะไรเกิดจากพลังจิตพลังจิตเกิดจากอะไรเกิดจากสมาธิสมาธิเกิดจากอะไรเกิดจากความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากคําบริกรรมคือการเริ่มแห่งสมาธินั่นเองด้วยเหตุทั้งกล่าวจึงรวมความได้ว่าการทําสมาธินี่แหละคือการแหววหลวงผูมั่น แร่ก็จต้องพูดกันต่อเมื่อท่านพาหลวงพ่อไปท่านก็เลยลาพระอาจารย์เสาเนี่ยลาพระอาจารย์เสาบอกว่าท่านขอไปปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองก่อนแต่ที่จะลาพระอาจารย์เสาเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์เสาท่านก็ไม่มี วิชาสมาธิที่จะมาสอนพระอาจารย์มั่นทั้งทั้งที่ท่านเป็นพระอาจารย์แล้วท่านก็เลยบอกว่าเออท่านมั่นเราพากันไปหาอาจารย์กันเถอะนะทั้งสองอลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์สาวกอาจารย์มั่นท่านก็ดเดินทุดงจากจังหวัดอุบลเนี่ยข้ามไปประเทศลาว พอไปประเทศล้วก็ไปพบกับพระอาจารย์องค์หนึ่งที่เวียงจันทร์ที่เวียงจันท์เขาก็ให้ขึ้นขันห้ า, อาพอขึ้นขันห้าแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เต้นเอา๊ทาท่านบอกว่าทำไมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์นั่นนบอกว่าไม่ค่อยถูกแล้วเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันจะมไีไอตอนที่จิตมันเข้าราวางัง พอจิตเขพรวังโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาทีนี้ที่ไปนั่งอยู่กับพระอาจารย์องค์นั้นก็มีอยู่ประมาณสักสิบกว่าคนทั้งยอมทั้งพระต่างคนก็โยกไปโยกมาอาจารย์ก็บอกว่าเออดีเออ ด, ออดออีท่านก็นเลยบอกว่าไม่เอาละต่อจากนั้นท่านก็เดินต่อไปถึงเมืองหลวงพระบาง พอไปถึงเมืองหลวงพระบางนี่มีพระอาจารย์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านสมาธิท่านก็เข้าไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ทั้งสองทั้งอาจารย์สาและอาจารย์มั่นท่านก็ให้พาแห่งที่นี้องนี้ให้พาแพ่งกสิณนะแล้วเขาก็ไปขีดเป็นวงไว้แล้วก็ไปเพ่ง ถ้าหาว่าใครเก่งก็แท่งให้หวงนั้นนำไหมให้ได้แบบนั้นท่านก็อยู่ที่นั่นเป็นเดือนไม่ใช่เดือนเดียวหลายเดือนด้วยก็ไปนั่งก็ไปแท่งเนี่แท่งไปแท่งมาก็มีลูกศิษย์ที่ไปเรียนสมาธิไปเรียนสมาธิกับอาจารย์องค์นั้นน่ะมันเกิดเสียจริต มีอยู่สามสี่คนมาบอกอาจารย์บอกว่าเพ่งไฟเพ่งมามันออกไปเลยแล้วมันไม่กลับจะทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าออกไปก็ออกไปสิมันจะได้ไปถึงนิพพานๆๆๆมันก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วพระอาจารย์มั่นแต่ท่านนั่งอยู่ทีนี้มันเกิดขั้งที่ท่านไหนไม่รู้กระโดดถีบ พระอาจารย์มั่นกระเด็นเลยเอ้ย hey, อันนี้มันอะไรบอกว่างั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันกําลังเอทําเขาเรียกว่าทาแก่ก้าใครอย่าเข้าไปใกล้นะเขาบงั่นนะไปไปม า, มาก็รู้สึกว่าการเพ่งจิตออกไปเนี่ยมันไม่กลับมาแล้วมันทําให้เกิดความคลั่งลูกศิษย์อาจารย์บอกว่าไม่ไหวแน่เรากลับเถอะ ในที่สุดก็เลยกลับเมืองไทยพอกลับเมืองไทยมาแล้วพระอาจารย์มั่นท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อเกินผมก็ขอลาพระอาจารย์เพื่อที่จะไปพยายามที่จะปฏิบัติตัวเองให้ดูทีซิว่ า, ามันจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดท่านก็เลยลาพระอาจารย์มั่นเดินทาง จากจังหวัดอุบลเนี่ยเดินทางไปนครนายกถ้าเขาสาลิกาถ้าสาลิกาตอนนี้มันก็เดินมาไกลาจากอุบลมาทุดงมาสมาธิมาเรื่อยเรืยเรื่อ ย, อ ย, อยจนกระทั่งมาถึงถ้าสาลิกามัถึงถ้าสาลิกา เอาทางนี้กันแล้วกันนะทำ <c oughs> สาธิกามีอะไรเกิดขึ้นก็นได้คุยกันต่อ <c oughs> เล่าตามท่านไปเลยที่เล่าให้ฟังเหล่านี้คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆ น, นอกจากเขียนประวัติเอาไว้ก็มีเกร็ดอะไรต่างๆเ <c oughs> ท่าที่จำได้ก็ต้องขอพูดอ่ กันตัวไว้หน่อยนึงว่าไม่ใช่เรื่องของอาภินิหารแต่เป็นเรื่องของการเล่าประวัติไอมันมียาในนั้นมันมีขวดเดี๋ยวจะมาเอาไ อ, อ้อยาขวดนั้นมาหน่อยไอ้บัญชีอยู่ไหนไม่เห็นมีบัญชีถามตอบ เริตั้งแต่1161คุณภาดสัญหาหานจาตุภูมิน่าขอเชิญแอบไปเอาสุขมรยานำาหน่อยกราบนิมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่งค่ะจะข อ, อ, อถามว่าเวลานั่งสมาธินะคะจะรู้สึกว่ามือจะลอยๆใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นครู้สึกว่า ขายังแบบยังยั ง, ยงช้าๆอยู่นิดนิดนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่ไม่ทราบว่าที่มือลอยๆแล้วขาแบบรู้สึกช้าๆไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรคะ่ะเนี อ, อาการกิริยาที่เกิดขึ้นนั่นน่ะคือจิตกําลังจะละอารมณ์มือของเราทับกันเนี่ยอาจจะไม่ทับกันมันก็ทับกันอยู่เดิมแหละแต่ว่ามันเหมือนกันก็ไม่ทับกันอย่างนี้ก็เรียกว่าค อจิตเนี่ยมันกําลังจะละอารมณ์ภายนอกเพราะว่าการ <c oughs> ออทําสมาธินี่คือการเคลียร์เคลียร์ความรู้สึกในร่างกายเนี่ยให้มันค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปมันก็จะต้องหมดไปเป็นบางส่วนเมื่อหมดไปเป็นบางส่วนก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิเพิ่มขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้น Uh huh. ต่อไป uh huh. ก็ถึงกับกเราก็กกไม่รู้สิก์ในตัวทั้งหมดอะไรอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> ขอเชิญคุณสะเทียนลินปราชญาปรานมัสการพระาจารย์อ่กับผมมีคำถามขอเรียนถามท่านปราจาร์ดังนี้คือผมเป็นสิทธิ์ใหม่นะฮะคือการนั่งสมาธิเนี่ยบาง ครับเนี่ยที่นั่งอยู่ที่บ้านบางทีก็มีเรื่องพวบนอยู่บางเรื่องเหมือนกันเช่นเวลานั่งอยู่นะฮ ะ, ะบางทีจะได้ยินเสียงว่าบนหลังคามีเสียงหรือจะมีเสียงที่คนเดินหรือว่ามีเสียงกุกกิ๊กหรือบางครั้งมีเสียงมาเห่าทําให้ตกใจลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าจะหันออกมามองดูว่าสาเหตุเกิดอะไรก็ยังไม่เข้าใจว่าจะดีไหม หรือถ้าจะอยู่เฉยๆทำสมาธิต่อก็กลัวว่าจิตมันยังกังวลอยู่ฉะนั้นจึงขอเรียนท่านอาจารย์ว่าจะทำย่างไงถึงจะถูกต้องครับเวลานั่งแล้วมันมีเสียงมาอย่างนั้นคือฟังไม่ค่อยถนัดน ะ, ะเวลานั่งแล้วมันมีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ครับแล้วจากเสียงมีอะไรต่อ ปกทีก็เจอเสียงมาเห่าเหมือนกันทำตกใจก็ทําให้จิตผวองทีนี้ถ้าไม่ดูไม่หันออกมาดูก็ใจก็ยังผวออยู่ใช่ไหแต่จะหันออกมาดูก็กลัวเสียลสบาธิไม่ทราบว่าจะทํำยังไงถึงจะถบกับครับถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเรามีสติเราคิดว่าทั้งเสียงมาเห่าก็ดีหรือว่าเสียงที่มันมากระทบอื่นๆ หรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็ดีถือว่าเป็นกิริยาภายนอกเราทำสติให้เกิดขึ้นคือตั้งให้สติอยู่ในใจของเราอย่างนั้นพอแล้วให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าการทำสมาธิเนี่ยโดยจุดประสงค์เนี่ยเราต้องการพลังจิตอันนี้คือจุดประสงค์ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องลองอถ้าหากว่าเสียงเกิดขึ้นอาจจะเป็นเสียงธรรมะบ้างอาจเป็นเสียงอะไรบ้างเราก็ปล่อยวางไปแต่ถ้ามีเสียงที่ทำให้เราตกใจเราก็ตั้งใจใหม่แล้วเราก็ทำต่อเสร็จคอร์สเรียนถามท่านอีกข้อนึงได้ไหมครับคืออย่างนี้ฮะเวลาเสร็จนั่งอยู่ ทำสมาธินะฮะมักจะชอบเอ็นตัวไปข้างหลังแต่ว่าส่วนใหญ่จะลุกตัวนะฮะจะนั่งตรงกลับมาใหม่หลายต่อหลายครั้งเป็นเช่นนี้แต่ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาพิงไว้ด้านหลัง <c oughs> ก็จะได้นั่งสมาธิแบบสมุูจิตมากๆทีเดียวฉะนั้นจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอย่างไหนจะดีกว่าครับเอ่อถ้าเรานั่งเองเนี่ย โดยมากแล้วมันจะหลับอะไรเงี้ยมัน อ, อแต่ถ้าหากว่านั่งไม่อิงเนี่ยถ้านั่งไม่อิงได้ก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าหากว่านั่งอิงเนี่ยเราพยายามตั้งสติให้มั่นคงได้ก็ดีแต่ในกิริยาที่อะไรนะคุณผมเสถียนครับ เ, เสถียนเนี่ย <c oughs> เมื่อนั่งและมีที่อิงได้แต่ว่ามีสติได้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะผลมันก็เหมือนกันอ่ะแต่ว่าการนั่งที่ไม่ได้อิงอะ่ะมันพอเวลามันเสียสติพับนี่มันจะเอ็นเลยแล้วเราก็ตั้งใหม่ก็แท้แสดงว่าเราได้ตั้งสติขึ้นมาแต่พอเวลาที่เราอิงแล้วทีนี้มันไม่เอน็นแต่แต่มันก็เลย หลักอะไรอย่างเงี้ยมันะวางไปผลที่ได้นั้นเวล า, านั่งเอนแล้วก็เรากกับขึ้นมาตั้งตัวโกงอ่ะแสดงว่าเราตั้งสติถือว่าได้ผลมากกว่าอย่างนี้เป็นตน้นอ่าต่อไปขอ<ร>เชิญพระคุณพระอาจารย์ครับขอเชิญคุณอาพรลิ้นปราชญยาขอกราบน้มสักการท่านพระอาจารย์พระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าขอเดียนถามท่านพระอาจารย์หนึ่งข้อคืออาการเวียนศรีรษะไม่ทราบว่าการนั่งสมาธิวิธีใดที่จะบรรบัดโรคเวียนศรีรษะได้พระเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โรคเวียนศรีรษะนี่คือเราต้องตั้งสติสติที่กำหนดลมหายใจการเวียนศรีรษะนี่มันเกิดขึ้นมาจากอ เวลาลมที่เรากําหนดไปแล้วนี่มันจะเกิดลักษณะหนึ่งแต่พอเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันไปเกิดความสงบขึ้นโดยการที่มากําหนดลมหายใจเข้าเนี่ยลมหายใจที่เรากําลังหายใจอยู่เนี่ยมันจะเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นแล้วมันก็จะมีผลออกไปที่ เส้นประสาทที่ทำให้เราเวียนศีรษะเนี่ยคือการเวียนศีษะนี่น่าจะมาจากเส้นประสาทบางส่วนแต่ว่าพอเวลาที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยลมหายใจอันเนี้ยถูกจิตของเราเนี่ยอกมันก็กลายเป็นลมที่บริสุทธิ์ขึ้นตามลำดับมันก็สามารถที่จะไปทำให้ เอกการเวียนทิศอันนี้หายไปได้เพราะจิตมีพลังขึ้นกราบขอพระไทยท่านพระอาจารย์พระเจ้าค่ะขอเชิญคุณสสิตรีรภาพพิทักษ์กลาบ น, นะธรรสการพระอาจารย์สิทธิ์เพิ่งเรียนได้สี่ห้าวันความรู้ยังน้อยค่ะแต่วันแรกที่นั่งสมาธิกลับไปอื่นมากลางดึก ก็เกิดอาการสดชื่นแล้วก็ไม่นอนเลยตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคะแล้ววันหลังต่อมาเป็นอย่างงั้นอีกไหมวันเอ่อวันที่สองไม่เป็นแต่งั้ น, น, นคือปิติก็ถือว่าดีแล้วเป็นฌานชนิดหนึ่งครั <c oughs> บค่ะแล้วม า, า, า, า, า, าไม่กี่วันได้รับเลยได้ถามเลยนะอา่า ขอเชินคุณประพนธ์จำกลมหลาดนวัตการพระจา์ครับเออสิทธิ์ก็มีเรื่องจะการบินถามพระอาจารย์ในเวลาตอนที่ก่อนนอนเนี่ยครับออขนาดเท่านอนแล้วทำสมาธิก็มันจะไม่ง่วงครับก็นอนไม่หลับเลยเนี่ยไปนานมากเลยอาจจะถึงตีสองตีสามพี่ยังไม่ยอมหลับไม่ทราบว่าจะมีผลอย่างไรครับเออไม่หลับเนื่องมาจาก คือใจก็บริกรรมอยู่ว่าใจบริกรรมอยู่ครับแต่ก่อนก็นแต่ก่อนยังปกติก็นอนหลับสบายอยู่ใช่ไหมครับผมแต่พอมาสมาธิเข้าเกิดนอนไม่หลับหรือไงครับบริกรรมไปเรื่อยครับก็อยู่อยู่กับองคบริกรรมไปบริกรรมไปครับแล้วมันเป็นขึ้นมาวันเดียวหรือเป็นกี่วันก็ถ้าเวลานอนตั้งใจที่จะทําสมาธิบริกรรมไปเนี่ย ทุกครั้งที่ตั้งใจทําม่จะนอนไม่หลับไปเลยหมายความว่าทิพเป็นที่นอนไม่หลับนี่มันมีอยู่วันเดียวหรือสองวันหรือว่าทุกทุกวันมาอะไรยังไงครับหลายๆวันนะฮะถ้าถ้าวันไหนเออวันไหนตั้งใจทําสมาธิในเวลาก่อนที่เรานอนด้วยเนี่ยนะครับออทุกครั้งที่ที่ทำทุกคืนสมมุติว่า อ, อ, อาทิตย์นี้ทำสองวันสองวันเนี่ยก็จะไม่ค่อยหลับ <C oughs> อันนี้หมายถึงว่าที่เป็นเช่นนี้ก็แอปิติที่มันเกิดขึ้นในใจนี่มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดเคยหมายความว่าเวลานอนเราก็ถือว่าเป็นปกติเหมือนกับเราที่ไม่ได้ทำสมาธิเราทำสมาธิก็จะเพอที่เรามาทำที่นี่พอกลับคืนไปแล้วเวลานอนเราก็ ปล่อยวางกันแล้วกันเพราะว่าการที่ทำสมาธิแล้วมันเกิดไม่ค่อยหลับเนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าความเพียนแก่กล้ามันเป็นอันตรายชนิดหนึ่งเ <c oughs> พราะฉะนั้นพอเวลาเราจะไปนอนเราก็ปล่อยวางเลยแล้วไม่ต้องไปคิดถึงสมาธิอย่างนี้เป็นตน้น ขอพระคุณท่านอาจารย์ครับต่อไปก็เชิญคุณสุภาณีจันกรมอย่างเวลาที่เราอันนี้เป็นเพิ่งเริ่มมือใหม่นะยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี้ถ้าเราเวลาทำสมาธิเอภาวนาพุโทโธเนี่ยบางครั้งเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนเป็นภาวนาแบบอื่นเช่นสวดมนต์หรืออะไรแบบนี้ถามว่าแบบนี้จะ จะเป็นวิธีที่ถูกหรือไม่เ อ, อการบริกรรมนั้นมัคัดต้องบริกรรมอันเดียวบริการอันไหนก็บริกรรมอันนั้นห้ามไม่ให้ไปคิดว่าจะบริกรรมอย่างอื่นอีก mm hmm. ถ้าหากว่าไปบริกรรมหลายเรื่องเนี่ยจิตมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ไปเพราะฉะนั้นต้องจิตอันเดียวเท่านั้นถ <c oughs> ึงจะถูกต้องคขอบคุณท่านอาจารย์ แ็ปล่อยก็ขอเทนคุณรัตสุคนแสนดีอะไรไงมาหรือเปล่าเมื่อสิบปฏิบัติสมาธิไปสักระยะหนึ่งจะมีอาการร้อนเกิดขึ้นหรือบางทีก็มีเหงื่อออกบ้างไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรดูค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นจากเราทำสมาธิและไมันเกิดพลังจิตขึ้นแล้วมันก็คงจะ เนอันว่าพลังจิตมันก็นทำลา ย, ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็คนจะเป็นล้องรูปว่าออกไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เป็นลักษณะของอพลังจิตแต่พอเวลาเราทำไปม า, มากเข้ามันจะหายไปต่อไปขอเชิญคุณสุทธิพงษพักดีวิจิตกราบนักวิชการพระอาจารย์ฮะ ออตอนที่ทําสมาธิอยู่นะฮะใจได้พุ่งออกไปฮ ะ, ะจะให้ออกไปหรือให้กลับเข้ามาดีฮะเวลามันออกไปแล้วเราก็ต้องดึงกลับมาเวลาภาวนาวบริกรรมไปบริกรรมไปนี่จิตมันจะที่ไปไกลเราก็ดึงกลับเข้ามามันจะไปอีกแล้วก็ดึงกลับเข้ามาอันเนี้ถือว่า เป็นสติอันหนึ่งไปนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดนะฮะคือไม่ใช่พรุงซ่านนะฮะมันแบบออกมาหมายควาว่าไปยังไงมันเหมือนจิตมันไปยังไงไปด้วยความคิดด้วยว่าจิตมันออกไปยังไงมันเหมือนจะพุ่งออกไปอะฮะมันเหมือนจะออกไปอ๋อลักษณะอย่างนั้นเราต้องยอ่ยอย่อกลับเข้ามาตั้งอยู่ที่ใจของเราให้พุ่งออกไปไม่ได้ขอบคุณฮะ <c oughs> แล้วาการพุ่งออกไปนั้นคงไม่ดีนักต้องย่อให้จิตเข้ามาอยู่ที่ใจของเรานี่ <c oughs> ก็เป็นอันว่าหมดเวลา <c oughs>